วพวกเราจะเชื่ออะไรก็ขอให้เชื่อบุญเชื่อบาปว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงก็คือบุญและบาปนี่อยากจะได้อะไรก็ขอที่บุญที่บาปนี่เพราะบุญที่และบาปนี้เป็นผู้ผลิตสิ่งต่างๆเป็นผู้ผลิตพบชาติต่างๆ เป็นผู้ผลิตความสุขความทุกข์ต่างๆไม่ใช่พระพุทธรูปนะพระพุทธรูปนี้เป็นเพียงสั ญ, ญลักษณ์ของผู้ที่ได้ค้นพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือบุญและบาปแล้วก็นำเอามาสั่งสอนพวกเรา ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่ไม่มีศาสนานี่เขาจะไหว้ผีไหว้ต้นไม้ไหว้อะไรต่างๆไปตามความคิดของเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมีคุณมีโทษต่อชีวิตของเขาแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณมีโทษ ต่อชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงนอกจากบุญและบาปเท่านั้นและกิเลสตัณหาสามอย่างนี้ที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดคุณเกิดโทษต่อจิตใจของสัตว์โลก ดังนั้นถ้าเราอยากจะเชื่ออะไรก็ขอให้เราเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกิเลสตัณหาว่าเป็นเหตุที่จะมีผลกระทบต่อจิตใจของพวกเราทั้งในทางที่ดีและทางที่ไม่ดีส่วนพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้ค้นพบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระธรรมคําสอนก็เป็นคําสอนที่จะสอนให้เรารู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงนั่นคืออะไรพระอริยสงสาวกก็เป็นผู้ที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าจนได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์จนได้พิสูจน์ว่า สิ่งที่เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือบุญหรือบาปและกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของพวกเราเนี่ยพวกนี้แหละเป็นตัวที่เป็นเป็นตัวที่ให้คุณให้โทษกับจิตใจของพวกเราพวกเราถ้าอยากจะ ให้คุณให้โทษกับตัวเราเราก็มาทาที่บุญที่บาปมาทาที่กิเลสตัณหาคือมากำจัดมันกิเลสตัณหานี้มีแต่โทษไม่มีคุณสิ่งที่จะกำจัดกิเลสตัณหาได้ก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบเนี่ย ธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สองคนภูปก็คือศีลสมาธิปัญญาเ่ศีลก็คือการไม่ทำบาปนั่นเองเพราะการทำบาปนี้เป็นโทษต่อจิตใจทำบาปแล้วจะทำให้ใจทุกจะผลิตอบายให้แก่จิตใจอบายเกิดจากการทำบาปอบายมีอยู่สี สี่ประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งเรียกว่าเดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่เราเห็นกันเนี่ยทำไมเขาถึงมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เพราะเขาทำบาปกันเขาทำบาปโดยไม่รู้ว่าทำบาปแล้วจะทำให้เขามาเป็นเดรัจฉานกันเขาคิดว่า เป็นความจำเป็นที่ต้องทำเพราะถ้าเขาไม่ทำบาปเขาก็จะอดตายสัตว์ส่วนใหญ่จะทำบาปด้วยการฆ่ากันหรือเมื่อถ้าไม่ได้ฆ่าก็จะอดตายก็เลยต้องฆ่า ก, กันกินกันนี่ก็คือการทำบาป การฆ่ากันออแล้วสัตว์เดรัจฉานเวลาเขาเสพกามเขาก็เสพแบบสัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีคู่เขาไม่มเออีเขาพบกันที่ไหนเขาอยากจะเสพการเมื่อไหร่เขาก็เสพกันไป เ, ออเขาไม่สนใจว่าเป็นของใครหรือไม่เป็นของใครออต่างกับมนุษย์ มนุษย์ที่เป็นมนุษย์ก็เพราะว่ า, าไม่ทำบาปามนุษย์รู้ว่าการทำบาปไม่ดี เ, เป็นโทษการฆ่ากันไม่ดีมนุษย์เราจึงทามาหากินด้วยวิธีอื่นเราไม่ฆ่ากันเราไปทำงานทำการไปปลูกผักปลูกข้าวปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ มากินกันไม่ประพฤติผิดประเวณีมนุษย์มีประเพณีเวลาจะเสพกามก็ต้องทำให้เป็นกิจจลรักษณะว่าเป็นผัวเป็นเมียกันมนุษย์จะเสพกามระหว่างผัวกับเมียเท่านั้นคนที่ไม่ใช่เป็นผัวเป็นเมีย เขาไม่เเาไม่เสพกามกันพราะการเสพกามมันมีผลต่อเรื่องมาอีกอเสพกามแล้วเดี๋ยวเกิดมีลูกมีเต้าขึ้นมาหรือว่าถ้าเสพกามแบบกับคนไม่รู้หน้ารู้ตาก็เดี๋ยวก็ติดโรค ก, กันมีเชื้อโรคแพร่ระบาดกัน แต่ถ้าเสพกามระหว่างสามีภรรยาจะรู้ว่าปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆและเวลามีลูกก็จะต้องมีผู้เลี้ยงดูลูกถ้าไม่มีสามีไม่มีไม่เป็นสามีเป็นภรรยากันเสพการกันเสร็จก็ไปคนละทางแต่พอเกิดลูกขึ้นมา ก็อาจจะต้องไปทำบาปอีกเพราะไม่รู้ว่าใครไม่มีใครอยากจะเลี้ยงลูกก็ต้องเอาไปทำแท้งเอาออกอีกเนี่ยถ้าถ้าไม่รักษาศีลข้อสามมันก็จะต้องพาให้ไปทำบาปต่ออีกได้อย่างน้อยสัตว์เดราชาเขายังเขาก็ยัยยยอยอยงดี เขามีลูกเขาตั้งท้องเขาก็ไม่ไปทำแท้งกันเขาก็ให้มันคลอดออกมาแล้วก็เลี้ยงมันไปตามบุญตามกรรมแต่มนุษย์เราบางทีไม่อยากจะรับผิดชอบเอาแต่ชอบไม่เอาผิดเวลาเสพกามนี่ชอบแต่พอตั้งท้องตั้งลูกปีลูกนี้ไม่ชอบ หรือบางทีคลอดออกมาก็ไปทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วแต่ชะตากรรมรเพราะไม่อยากจะเลี้ยงหรือไม่อยากจะรับภาระของการเลี้ยงดูนี่ถึงปรับมนุษย์เราจึงต่างจากสัตว์เดรัจฉานคือเราจะเสพกามโดยการมีคู่กัน เป็นของกันและกันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคู่ของคนอื่นของใครของมันแล้วมันจะทำให้อยู่กันอย่างผาสุกมีลูกมีเต้าก็เลี้ยงดูกันไปถ้าไม่มีไม่เป็นคู่กันแล้วมีลูกมีเต้าบางทีก็ ข้อออกมาแล้วก็ไม่เลี้ยงดูหรือเลี้ยงดูก็ไม่สั่งไม่สอนอไม่มีเวลามาให้กับลูกปล่อยให้ลูกโตแบบไม่มีความรู้ผิด ร, รู้ผิดถูกดีชั่วแล้วเดี๋ยวก็ไปทำสิ่งที่เสียหายาไปทำบาปทำกรรม เพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครห้ามเนี่ยไม่มีใครสนับสนุนส่งไปให้เรียนหนังสือก็เป็นเด็กแบบไม่มีความรู้ก็กลายเป็นปัญหาของสังคมต่อไปถ้ามนุษย์ทุกคนมีศีลมีความรับผิดชอบ ประพฤติไม่ประพฤติให้ถูกประเพณีอยู่ร่วมกันอย่างสามีภรรยามีลูกเต้าก็เลี้ยงดูสั่งสอนให้เป็นคนดีไม่ให้เป็นปัญหาแก่สังคมสังคมก็จะอยู่กันอย่างสงบอย่างมีความสุขอันนี้ก็เป็นเรื่องของบาปนะ ของบาปกับของการไม่ทํำบาปผลต่างกันอถ้ามนุษย์เราทําบาปต่อไปมนุษย์ก็จะอยู่สังคมของมนุษย์ก็จะเหมือนสังคมของสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าได้ทํานายว่าจิตใจของมนุษย์นี้จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆเสื่อมจากศีลธรรมเอจะ ทำบาปกันมากขึ้นต่ อ, อไปก็จะอยู่ในยุคมิกรสันยีคือฆ่าฟันกันตลอดเวลาทุกคนต้องพกพาอาวุธเพื่อที่จะปกป้องรักษาผลประโยชน์รักษาชีวิตของตนหรือเพื่อที่จ ะ, ะแก่งแย่งทรัพย์สมบัติ ทรัพยากรจากผู้อื่นใครมีปืนใครมีกําลังก็สามารถที่จะแย่งเอาทรัพยากรของผู้อื่นไปอยากได้ลูกยากได้ภรรยาของผู้อื่นอถ้ามีปืนมีกําลังก็ทํากัน เจ้าบอก ว, วต่อไปมนุษย์นี้จะฆ่าฟันกันเป็นเหมือนผักเหมือนปลามันือนเรื่องของความเมตตานี้จะไม่มีต่อกันจะฆ่ากันไปจกนกระทั่งฆ่ากันตายหมดพอฆ่ากันตายหมดแล้วทีนี้คนดีคนที่ไม่ทําบาปที่หลบไปอยู่ตามป่าตามเขาเ ก็จะออกมาสร้างบ้านสร้างเมืองใหม่มารักษาศีลกันใหม่แล้วก็จ ะ, จะเจริญในทางศีลลธรรมรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดฝึกสมาธิทำใจให้สงบแล้วเดี๋ยวก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดจารุที่เรียกว่าพระศีอ่าน พระีิอาริยเมตไตรแล้วก็มาสั่งสอนพวกมนุษย์ใหม่ให้รู้จักเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดต่างๆพวกเราตอนนี้พวกเราโชคดีเราอยู่ในยกของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระเมสีอาริยเมตไตรคือพระพุทธโคโดมเนี่ย คือเจ้าชายสิทธัตถะที่ได้ทรงเสด็จออกบวชแล้วก็ตัดสินว่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาเรื่องของบุญของบาปเอาเรื่องของกิเลสของเอาเรื่องของธรรมที่เป็นคู่ต่อสู้กับกิเลสมาเผยแผ่สั่งสอน เพื่อให้มนุษย์อยู่กันอย่างล่มเย็นเป็นสุขให้มนุษย์หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้นาทางถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครรู้ทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีศาสนาใดที่สามารถนำพาสัตว์โลกให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มีศาสนาพุทธเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นเพราะศาสนาพุทธมีพระพุทธเจ้าผู้ส่งค้นพบทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าไม่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่สามารถหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จะทำได้อย่างมากก็ทำบุญถึงขั้นมาถึงขั้นสมาธิขั้นฌานาตายไปก็ไปเกิดเป็นพรหมแต่ ก็ต้องเสื่อมกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่สวรรค์ชั้นต่างๆนี่เป็นสวรรค์ที่ไม่ถาวรไม่ว่าใครได้ไปเกิดสวรรค์ชั้นไหนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะสิ่งที่ทำให้เสื่อมก็คือกิเลสตัณหาไม่ได้ถูกกําจัดเอ จากการทำบุญออรักษาศีลหรือการนั่งสมาธเออิเป็นเพียงการขัดเกลารือตัดกำลังของกิเลสตัณหาเท่านั้นออแต่กิเลสตัณหาไม่ได้ตายจากการทำบุญเหล่านี้ออทำบุญให้ทานทำบุญด้วยการรักษาศีล ทำบานทำบุญด้วยการนั่งสมาธิเข้าฌานก็จะตัดกำลังของกิเลสตัณหาเวลากิเลสตัณหาถูกตัดกำลังลงใจก็เบาขึ้นมีความสุขมากขึ้นใจก็สูงขึ้นจากมนุษย์ก็เป็นเทวดาจากเทวดาก็เป็นพรหมแต่พ อ, อกำลังของบุญ หมดลงกิเลสตัณหามันก็ออกมาอารวาสออกมาสร้างความหนักอกหนักใจด้วยความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็จะฉุดให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ระวังไม่มีใครสอนเรื่องการทำบาปถ้าไปทำบาป ก็จะเสื่อมลงไปต่ำกว่ามนุษย์จากมนุษย์ก็จะไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุลกายไปนรกตายไปก็ต้องไปเป็นไปอบายเหล่านี้จนกว่าบาปที่ทำไว้หมดกำลังก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่คนเรานี่ทำบุญหรือทำบาปนี้มีเหตุอยู่สองประการด้วยกันประการหนึ่งก็คือนิสัยที่มีอยู่นิสัยที่เคยทำบุญก็จะทำบุญเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์นิสัยที่ทาบาปก็จะกลับมาทาบาปอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราทำบุญหรือทำบาป ก็คือพ่อแม่หรือสังคมที่เราไปอยู่ด้วยถ้าไปอยู่สังคมที่เขาทําบุญเขาก็จะสอนให้เราทําบุญชวนให้เราทําบุญถ้าไปอยู่ในสังคมในครอบครัวที่ทําบาปเขาก็จะสอนให้เราทําบาปชวนให้เราทําบาปเราก็จะทําบาบ้างทําบุญบ้าง แล้วแต่ว่าเราไปเกิดอยู่ในสังคมไหนในครอบครัวไหนนอกจากพวกที่มีสันดานคือเป็นพวกที่ใครสอนก็ไม่เปลี่ยนถ้ามีสันดานในการทำบาปถึงแม้จะไปอยู่ในสังคมในครอบครัวที่ทำบุญ ก็จะไม่เลิกทำบาปมีโอกาสมีเวลาหลบไปทำบาปได้ก็จะไปทำบาปถึงแม้ครอบครัวจะชวนให้ทำบุญหรือสอนให้ทำบุญก็ตามในทางต้นเงินข้ามก็เหมือนกันถ้ามีสันดานชอบทำบุญถึงแม้จะไปเกิดอยู่ในครอบครัว ที่สอนให้ทำบาปที่ชวนให้ทำบาปก็จะไม่ทำตามหรือถ้าทำก็ทำแบบฝืนใจทำไปถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะไปทำบุญจะไม่ทำบาปการที่จะทำให้มีเป็นสันดานขึ้นมานี่ก็ต้องอยู่ที่เราทำบ่อยๆทำมากๆ ถ้าทำบ่อยๆทำมากๆต่อไปมันก็จะเป็นสันดานถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างก็อาจจะเป็นนิสัยนิสัยก็อาจจะเปลี่ยนได้แล้วแต่ว่าอะไรมาชวนให้ไปทำนอกจากสังคมนอกจากคร อ, อบครัว บางทีเหตุการณ์ก็เป็นเหตุที่ทําให้เราไปทําบุ ญ, <c oughs> บญทําบาปกันได้เช่นบางบางทีเราไปอยู่ในภาวะอดอยากขาดแคลนบางทาีเหตุการณ์ก็บังคับให้เราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปยิงนกตกปล า, าเพื่อที่มาเลี้ยงชีพหรือถ้าอยู่ในบ้านในเมืองก็อาจจะไป ลักขโมยเงินขโมยทองของผู้อื่นถ้าไม่มีแฟนอยากจะเสพการก็อาจจะไปถ้ามีเงินก็อาจจะไปเที่ยวซ่องเที่ยวอะไรถ้าไม่มีเงินก็อาจจะไปคอยอปั้มคนนั้นปั้มคนนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ หรือเรื่องของอารมณ์บางทีก็มีอารมณ์ที่อยากจะทำบาปขึ้นมาก็จะไปทำบาปเวลามีอารมณ์ที่อยากจะทำบุญก็ไปทำบุญนี่คือเหตุต่างๆที่ทำให้คนเราไปทำบุญทำบาปกันแต่มีเหตุอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนเรา ทำบุญและไม่ทำบาปก็คือถ้าได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนที่จะพาให้ชีวิตนี้จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าพาให้ไป สู่พระนิพพานพาให้ไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะทำตามาถ้าทำตามได้ก็จะสามารถที่จะพัฒนาจิตใจให้จเจริญขึ้นไปเหนือภพมโรคคือให้ขึ้นไปสู่พระนิพพานาด้วยการ ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสามข้อด้วยกันคือละการกระทำบาปทั้งปวงสองสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากต่างๆเช่นกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ ภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากไม่อยู่ตรงนี้อยากจะไปอยู่ตรงโน้นพอไปอยู่ตรงโน้นก็อยากไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นอยากจะกลับมาอยู่ตรงนี้มันก็ทําให้ใจต้องดิ้นไปเรื่อยๆใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบ ไม่อยู่ไม่หยุดความอยากก็จะพาให้ใจไปเกิดเรื่อยๆตายไปก็อยากจะไปเกิดใหม่พอไปเกิดไปเจอทุกข์ก็อยากจะฆ่าตัวตายอยากจะหนีอยากจะไปหาไปอยู่ที่อื่นนี่คือความอยากต่างๆที่พาให้ จิตใจของสัตว์โลกยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะไปเกิดใหม่ก็ต้องหยุดความอยากต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปโดยการภาวนาด้วยการถือศีลการจะภาวนาได้ต้องถือศีลของนักบวช เพื่อจะได้ไม่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นถ้าไม่ถือศีลเดี๋ยวก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนที่จะมาชาระใจก็จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ถ้าถือศีลก็จะไปทำไม่ได้เช่นกิจกรรมที่ไปร่วมหลับนอนกับแฟนก็ไม่ได้ไปรับประทานอาหารคําไปงานเลี้ยงต่างๆก็ไปไม่ได้ ไปดูภาพยนตร์ไปดูมหัศลศพไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ไปไม่ได้ไปร้านเสริมสวยไปทำเเผาทำผมทำหน้าทำตาทำปากทำเล็บทำลิ้นทำอะไรก็ทำไม่ได้นอนมากเกินไปก็ไม่ได้นอนบนภูกหนาๆเตียงใหญ่ๆก็ไม่ได้ ต้องการให้นอนน้อยๆนอนบนพื้นแข็งๆมันจะได้นอนไม่มากเพราะมันไม่สบายนอนพอพักผ่อนร่างกายก็พอแต่ไม่ได้นอนเพื่อเอาความสุขจากการหลับนอนบนที่บนฟูกหนาๆบนเตียงใหญ่ๆต้องมีต้องมีการถือศีลของนักบวชเราจะได้มีเวลามา ชละกิเลสตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจขั้นต้นก็ตัดกําลังของมันด้วยการทำใจให้สงบเวลาทำใจให้สงบความอยากก็ถูกกดเอาไว้ทำงานทำทำงานไม่ได้ออกมาอยากไม่ได้เวลาจิตสงบด้วยสมาธิความอยากก็จะหยุดทำงานไปชั่วคราว พอความอยากไม่ทำงานจิตก็เกิดความสุขขึ้นมาเพราะความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ที่ไหนมีความอยากที่นั่นมีความทุกข์เวลาใจมีความอยากนี้ความทุกข์จะเกิดขึ้นมาทันทีไม่เชื่อลองสังเกตดูพออยากจะได้อะไรขึ้นมานี้ใจจะร้อนขึ้นมาทันทีกังวลกระวายขึ้นมากระสับกระสายขึ้นมาทันที พอทำใจให้หยุดความอยากได้จิตสงบเป็นสมาธินิ่งเฉยๆความร้อนความกวนกาวายจะหายไปความเย็นความสบายก็จะเข้ามาแทนที่ถ้าทำสมาธิเป็นแล้วก็จะรู้แล้วว่าตัวที่เป็นปัญหาก็คือความอยากต่างๆ เวลาออกจากสมาธิมาความอยากมันก็จะออกมาลบกวนใจถ้ามีปัญญาก็สามารถกำจัดมันได้อย่างถาวนถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องอาศัยสติหยุดมันไปก่อนหยุดด้วยการไม่ให้มันไปคิดถึงเรื่องที่มันอยากพอไม่คิดถึงเรื่องที่อยากความอยากกับเรื่องนั้นก็จะหยุดไปชั่วคราว แต่จะไม่หยุดไปอย่างถาวรพอเผลอปล่อยให้มันคิดขึ้นมาอีกมันก็อยากขึ้นมาอีกถ้าอยากจะให้มันไม่อยากอย่างถาวรต้องใช้ปัญญาชี้สอนใจให้เห็นว่าการไปทําตามความอยากไม่ได้ไปหาความสุขกลับเป็นการไปหาความทุกข์ ความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากมันเป็นความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์เอาไว้เป็นเหมือนอน้ำตาลเคลือบยาขมเป็นผิวบางๆอยากได้อะไรพอไปเอามาแล้วก็ดีใจพอได้มาแล้วทีนี้ก็ต้องมาทุกข์กับของที่ได้ต้องคอยมาดูแลรักษาคอยหวงคอยห่ว ง, ค อ, วงคอยวิตกกังวลกลัวว่ามันจะ จากเราไปแล้วพอมันจากเราไปก็เสียอกเสียใจร้องหม่มร้องไห้นี่คือปัญญาให้รู้ว่าสิ่งที่เราอยากนั้นเป็นทุกข์แต่มีความสุข เ, เคลือบไว้เป็นผิวบางๆเวลาได้อะไรมาดีใจมีความสุขได้แฟนมานี่มีความสุขดีอกดีใจ แต่พอหม้อข้าวยังไม่ทันดำก็เริ่มทุกข์แล้วเริ่มทะเลาะวิวาทกันเริ่มมีความเห็นไม่ตรงกันเริ่มมีความต้องการไม่ตรงกันคนหนึ่งอยากจะอยู่บ้านอีกคนอยากจะออกไปเที่ยวเดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หรือถ้าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มาให้ทะเลาะวิวาทหรือ มียังมีความเห็นตรงกันอยู่ยังมีความอยากตรงกันอยู่ยังมีความสุขอยู่เดี๋ยววันคือดีคืนดีเกิดเป็นอะไรไปหัวใจวายตายไปก็ล้องหมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอีกนี่คือความทุกข์ที่จะตามมาจากการไปทำตามความอยากต่างๆไม่ว่าอะไรที่เราได้มา ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องเปลี่ยนไปหมดไปพอมันเปลี่ยนไปหมดไปความสุขที่ได้ก็หมดไปสิ่งที่ได้มาแทนที่ก็คือความทุกข์ถ้ารู้ว่าสิ่งที่อยากได้มันทำให้เราทุกข์เราก็จะไม่อยากได้เราก็จะเลิอกอยากหยุดความอยากได้ ง น, นการจะหยุดความอยากต่างๆได้ต้องรู้ว่ามันเป็นทุกข์เ่ยไม่ใช่เป็นสุขถ้ายังมองไม่เห็นว่ามันทุกข์ก็ยังจะอยากได้อยู่แล้วพอได้มาแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์แต่พอทุกข์แล้วเดี๋ยวก็ลืมถ้ามีปัญญาเห็นว่ามันทุกข์แต่ยังสู้ความอยากไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีสมาธิไม่มีกำลังพอ ถึงแม้จะรู้ว่ามันทุกข์ก็ยังต้องเอามันอยู่เช่นคนติดยาเสพติดเห็นว่ายาเสพติดทำให้ทุกข์มันก็ยังอดไม่ได้เพราะมันไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากก็ต้องไปฝึกสมาธิ mm. ถ้าไม่มีสมาธิถึงแม้จะมีปัญญาก็เป็นปัญญาที่ไม่สามารถทำให้หยุดความอยากได้ mm. ถ้ามีสมาธิแต่ไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้ว่าการทำตามความอยากนี้เป็นทุกข์ก็จะทำอยู่เรื่อยๆ <Yeah. S 1> ดังนั้นการปฏิบัติจึงต้องมีทั้งสองอย่างถึงจะสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ต้องมีสมาธิก่อนเพราะสมาธินี้จะทําให้เรา หยุดความอยากได้พอเราหยุดความอยากได้เราก็ใช้ปัญญาสอนเวลาเกิดความอยากก็สอนใจว่าถ้าทำตามความอยากแล้วจะต้องไปเจอความทุกข์พอรู้ว่าจะต้องไปเจอความทุกข์ก็ไม่อยากดีกว่าไม่ทำตามความอยากดีกว่าถ้ามีสมาธิมีกำลังก็จะหยุดความอยากได้ พอหยุดความอยากได้ต่อไปความอยากนั้นก็จะไม่มารบกวนใจอีกต่อไปทุกครั้งที่มีความอยากก็ใช้ปัญญาสอนใจว่านี่คืออสิ่งที่อยากได้นี่จะทําให้เราทุกขนะ์เนี่ยขณะที่อยากใจก็เริ่มทุกข์แล้วใจก็เริ่มไม่สบายแนละ้วกระสับกระส่ายกระวนกระวายแนละ้วพอหยุด พอรู้ว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์เราก็หยุดมันทันทีถ้าเรามีสมาธิเราก็หยุดมันทันทีถ้าไม่มีสมาธิมีปัญญาก็หยุดไม่ได้ตอนนี้พวกเรามีปัญญาฟังธรรมะจนหูฉีกแล้วดูแล้วว่ากิเลสตัณหาเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์แต่พอมันโผล่ขึ้นมานี่เดี๋ยวมันก็ถูกมันหลอก มันก็อ้างนูน่นอ้างนี่ไปหมดเดี๋ยวก็ต้องไปทำตามความอยากจนได้อ่านี่ก็ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะมีคนนำทางพาเราออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายเพราะตัวที่จะพาให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายก็คือความอยากนี้เอง อยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากลิ้มรสดมกลิ่นอยากสัมผัสสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายก็ต้องมีร่างกายพอร่างกายอันนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะความอยากดูยังมีอยู่ในใจอยากฟังยังมีอยู่ในใจอยากลิ้มรสดมกลิ่นอยากสัมผัสสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายยังไม่หมดมันไม่ได้ตายไปกับร่างกาย มันก็จะพาให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่แล้วในระหว่างที่รอรับร่างกายอันใหม่ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำเอาไว้ถ้าทำบาปก็จะไปไปเป็นไปอบายาไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไ ป, ปอสุรกายไปนรกถ้าทำบุญก็ไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆ หรือไปเป็นพรมถ้าได้นั่งสมาธิทาใจให้สงบพอได้ร่างกายใหม่ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำตามความอยากใหม่แล้วก็มาทําบุญมาทําบาปใหม่พอเวลาเกิดความอยากแล้วไม่สามารถาทําตามความอยากได้โดยที่ไม่ต้องทําบาปก็ต้องไปก็จะไปทําบาป อยากจะไปดูหนังฟังเพลงไม่มีเงินก็อาจจะต้องไปขโมยเงินเพื่อจะได้ไปดูหนังฟังเพลงอยากจะนอนก็อาจจะไปปั้มคนนั้นปั้มคนนี้ไปทำข่มขืนอันนี้ก็จะทำบาป อยากจะกินไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อของมากินก็ไปยิงนกตกปลาอะไรทำนองนี้ทำบาปหรือถ้าโชคดีเกิดล้วมาเกิดในครอบครัวรวยไม่ต้องมีเงินอยากจะได้อะไรก็ใช้เงินซื้อก็ไม่ต้องทำบาปมีเงินเยอะก็ใจบุญแบ่งให้คนนั้นบ้างแบ่งให้คนนี้บ้างก็จะได้ทำบุญ การมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะทําให้เราเนี่ยทําบุญบ้างทําบาบ้างแล้วก็ทําตามความอยากตลอดเวลาตื่นมาก็อยากนะอยากไปจะตั้งถึงเวลาหลับอยากไปนู่นอยากมานี่อยากดูนั่นอยากดูนี่อยากฟังนั่นอยากฟังนี่อยากอยากดื่มนั่นอยากดื่มนี่มันมีความอยากตลอดเวลา ถ้าไม่มานั่งสมาธิไม่มาถือศีลแปดเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะหยุดความอยากได้ถ้าถือศีลแป่นั่งสมาธิฝึกสติให้สามารถหยุดความคิดได้ก็จะสามารถหยุดความอยากได้ทำใจให้สงบให้นิ่งให้เย็นให้สบายได้พอใจเย็นสบายแล้ว ก็ไม่ต้องไปทำอะไรตามความอยากแต่พอออกจากสมาธิมาอพอไปเห็นหนู่นเห็นนี้ไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากก็เกิดขึ้นมาใหม่ความเย็นสบายก็หายไปความร้อนความกวนกระวายกระสับกระส่ายก็จะมาแทนที่ถ้าไม่ใช้สติหรือใช้ปัญญาก็เดี๋ยวก็จะต้องไปทำตามความอยาก แต่ถ้ามีถ้ามีถ้าไม่มีปัญญาก็ใช้สติไปก่อนพุดโทพุดโทไปเหนียวใจก็หยุดคิดหยุดอยากได้ถ้ามีปัญญาก็ก็จะเห็นโทษของการทำตามความอยากว่าการทำาตามความอยากนี้นำไปสู่ความทุกข์ จะนำไปสู่ความอยากต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนอยากแล้วเดี๋ยวก็อยากอีกพอได้ทําตามความอยากแล้วเดี๋ยวมันก็อยากจะทําอีกถ้าอยากจะให้ความอยากนี้หายไปก็ต้องหยุดมันเท่านั้นจะหยุดมันได้ก็ต้องมีสติต้องมีปัญญาปัญญาจะสอนว่าอย่าทําตามความอยากสติจะเป็นผู้หยุดน ถ้ามีสติมีปัญญาแล้วต่อไปก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้พอความอยากหมดสิ้นไปก็ไม่ต้องไปมีร่างกายใหม่ไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่อันนี้เกิดจากการที่ เรามีความเชื่อในเรื่องของบุญของบาปในเชื่อเชื่อในเรื่องของธรรมะเรื่องของกิเลสถ้าเราเชื่อเรื่องเหล่านี้เราจะได้มาก็ทําเหตุที่จะทำให้เราสามารถกาจัดความทุกข์ต่าง ให้หมดไปจากใจหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้นานๆเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งที่จะพาเราให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆทำได้อย่างมากก็คือ ทำใจให้ไปขึ้นสวรรค์ชั้นต่างๆแต่สวรรค์ชั้นต่างๆมันก็เป็นของชั่วคราวขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องลงมาใหม่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญทำบาปใหม่ตายไปก็ขึ้นสวรรค์บ้างลงนรกบ้างแล้วแต่บุญหรือบาปที่ทำมาไว้ก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุดจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสอนให้เรายุติการเกิดแก่เจ็บตายยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยการมากําจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจให้หมดไปเท่านั้น วิธีที่จะกำจัดกิเลสตัณหาก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอันนี้แหละเป็นตัวที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปใจของเราก็จะอยู่ที่พระ น, นิพพานพระนิพพานคือที่ที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ เป็นใจที่ป่าสะจากกิเลสตันหาป่าสะจากความโลภความโกรธความหลงป่าสะจากความอยากต่างๆคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลปพะพะกามตันหาความอยากมีอยากเป็ น, อ ย, ปนอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากได้รางวัล น, นั้นรางวัล น, นี้ได้รับการสรรเสริญยกย่องต่างๆ แลวความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คืออยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่ไปติดคุกติดตารางอยากไม่ลำบากอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นวิภาวะตัณหาต้องกำจัดความอยากเหล่านี้ให้หมดไป ถ้าต้องเจอความยากลำบากก็อยู่กับมันไปอย่าหนีมันถ้าต้องเจอความแก่ก็ต้องอยู่กับมันไปอย่าไปอยากหนี้มันถ้าเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยู่กับมันไปเจอความตายก็อยู่กับมันไปใจถึงจะนิ่งใจถึงจะเฉยได้ถ้ามีความอยากมันก็จะนิ่นมันก็จะไม่นิ่งมันก็จะหนีไปเกิดใหม่ เช่นคนแก่หนีความแก่ด้วยการฆ่าร่างกายเพื่อที่จะได้หนีจากความแก่ไปพอตายไปมันก็ไปเกิดใหม่อีกถ้าไม่อยากจะเกิดต้องอยู่กับความแก่ไปต้องอยู่กับความเจ็บไปต้องอยู่กับความตายไปต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอไม่อยากจะเจอแต่เมื่อเจอก็ต้องอยู่กับมันไปอย่านี้ ทำใจเฉยๆแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่ใจไม่เฉยเท่านั้นเองพอเจอใจไม่เฉยเพราะอยากอยากหนีพออยากหนีมันก็เครียดมันก็ทุกข์ขึ้นมาพอหยุดความอยากหนีได้ใจมันก็เย็นสบายเรื่องราวต่างๆจะเลวร้วายขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะมาทำใจให้ทุกข์ได้ทำได้อย่างมากก็ ทำให้ร่างกายาทุกเท่านั้นแต่ความทุกข์ของร่างกายนี้ก็ใจก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้ถ้าใจนิ่งใจเฉยใจสงบแล้วใจจะไม่เดือดร้อนอกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆของทางร่างกาย ผู้ปฏิบัติที่ต้องการที่จะยุติการเกิดแก่เจ็บตายจึงต้องหยุดความอยากความอยากหนีก็ไม่ได้อยากอยากไปหาก็ไม่ได้ต้องอยู่กับที่อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไม่ใช่อยู่ตรงนี้ก็อยากจะหนีไปตรงนั้นพออยู่ตรงนั้นก็อยากจะหนีมาตรงนี้มันก็หนีไปหนีมากลับไปกลับมาอยู่เรื่อยๆถ้ามันอยากจะ หยุดความอยากมันต้องอยู่ตรงไหนก็อยู่กับมันไปไม่งั้นความอยากมันก็ไม่หมดะพออยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนู้นพอไปตรงนู้นก็อยากจะมาตรงนี้มันก็ไปไ ป, ไปมามากิ้งไปกิ้งมาเหมือนลูกฟุตบอละท่านเปรียบเทียบใจของเราเป็นเหมือนลูกฟุตบอลเตะไปแล้วเตะไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็เตะมาฝั่งนี้ เตะไปเตะมากันอยู่งั้นความอยากความอยากกับความไม่อยากมันจะเตะไปเตะมาความอยากไปมันก็จะเตะให้ไปความอยากความอยากหนีมันก็จะเตะให้หนีไปมันจะไม่อยู่กับที่ไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมันก็อยากไปนะหรืออยากหนีอีก้วไม่อยากหนีก็อยากไป ถ้าอย่างนี้มันก็จะไม่มีวันที่จะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้การจะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้ต้องต้องอยู่กับที่ให้ได้ทีนี้ก็อาจจะมีคําถามว่าวทําไมพระพุทธเจ้ายังไปนู่นมานี่อยู่อแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปนู่นมานี่ด้วยความอยากแล้วความอยากไปท่านกําจัดมันหมดตอนที่ท่านนั่งอยู่ใต้โคนต้นโพแล้ว ตอนที่อยู่ตอนนั่งอยู่โคนต้นโพท่านบอกว่าถ้ายังมีความอยากลุกก็จะไม่ลุกเนะท่านก็นั่งจยกระทั่งความอยากลุกไม่มีท่านถึงจะลุกเนีแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าท่านลุกเพราะความอยากหรือไม่อยากอันนี้ก็ต้องรู้ด้วยการปฏิบัติถึงจะรู้ว่ามีความอยากหรือไม่มีความอยากถ้ามีความอยากใจมันยังจะไม่สงบ ใจยังไม่นิ่งแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วใจมันจะนิ่งตลอดเวลาจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำด้วยความอยากทำด้วยเหตุผลด้วยความจำเป็นอันนี้ไม่ได้ทำด้วยความอยากท่านก็เรียกว่าเป็นกิริยาการกระทำของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์นี่ไม่ได้ทำด้วยความอยากทำด้วยกิริยาเป็นกิริยา เป็นการกระทำที่ปราศจากความอยากทำเพราะยังมีเหตุต้องให้ทำอยู่จจร่างกายตอนเช้าก็ต้องไปบินตบาตมาเลี้ยงร่างกายแต่ไม่ได้ไปเพราะอยากกินถ้าวันนั้นไม่ได้กินก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่ได้ไปบินตบาตไม่ได้กินก็ไม่เดือดร้อนแต่เมื่อยังมีร่างกายยังต้องเลี้ยงร่างกายอยู่ก็ต้องไปบินตบาตเอาอาหารมาเลี้ยงร่างกาย แต่ไม่ได้ทําด้วยความอยากถ้าไม่ได้บินตบาสสามวันก็อดสามวันได้อืออดเค่ออดถึงสี่สิบเก้าวันยังอดได้ทาให้อดแค่สามวันจะอดไม่ได้นี่คือการกระทําของพระอาหารหันต์ของพระพุทธเจ้าของใจที่ปราศจากความอยากแล้วจะไม่มีไม่ได้ทําด้วยความอยากทําด้วยเหตุด้วยผลอ ทำไมพระพุทธเจ้าถึงต้องไปเมืองนั้นก็เพราะว่าไปสอนไปสั่งไปสอนอยู่เมืองนี้สอนจนกระทั่งคนได้ยินได้ฟังหมดแล้วก็ย้ายเมืองไปสอนอีกเมืองหนึ่งคนที่อยู่อีกเมืองจึงจะได้ยินได้ฟังคำสอนใหม่ไม่ได้ทำตามความอยากไม่มีความอยากจะไปไม่มีความอยากจะหนีจากเมืองนี้ไปมีอยู่ครั้งหนึ่งอยู่เมืองหนึ่งมีแต่คน ไม่ศรัทธามีแต่คนคอยหาเรื่องจนพระอานนท์ผู้ประถาบพระพุทธเจ้าทนไม่ไหวก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าอย่าอยู่ที่นี่เลยไปอยู่ที่อื่นเถิดพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไปอยู่ที่อื่นถ้าไปเจออย่างนี้อีกจะทํำไงก็ต้องหนีไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าไว้ทางหนีอยู่มันไปอยู่ไปจนกว่าจะมีมีเห็น มีเหตุผลให้ไปค่อยไปถ้ายังไม่มีเหตุผลให้ไปก็ยังไม่ต้องไปอยู่ก็ไม่ทุกข์ไปก็ไม่ทุกข์ไม่ได้ไปก็ไม่ทุกข์เวลาได้ไปก็ไม่สุขสุขแบบที่ได้ทำตามความอยากนี้ไม่มีในใจของพระอาหารหันต์ไม่มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้ามีแต่สุขที่เกิดจากความสงบที่ปราศจากกิเลสตัณหา เป็นความสุขของพระนิพพานที่มีอยู่ตลอดเวลานิบานังปรมังสุขขังท่านเลยไม่ต้องมาอาศัยความสุขอย่างพวกเราพวกเราอาศัยความสุขที่ได้จากการทาตามความอยากกันพออยากทำอะไรพอได้ทำก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่เป็นความสุขแบบควันไฟสุขเดียวเดียวได้ดูหนังก็เกิดความสุขขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไป แล้วเดี๋ยวก็อยากจะไปทำอย่างอื่นต่อพอไม่ได้ทำก็ทุกข์ขึ้นมาแต่สำหรับพระอรหารพระพุทธเจ้าเวลาทำอะไรก็ไม่สุขเวลาไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ทุกข์เพราะไม่ได้ทำจากความอยากทำต่างกันตรงนี้คนที่ไม่มีความอยากนี่เขามีความสุขในตัวเขาอยู่แล้วเขาจะทำหรือไม่ทำอะไรไม่เป็นปัญหาเท่าเดิม ไม่ได้ไม่เสียได้อะไรมาเท่าไหร่ก็เหมือนกับไม่ได้เสียอะไรไปเท่าไหร่ก็เหมือนกับไม่ได้เสียเพราะสิ่งที่อยู่ในใจนี้มันไม่มีวันเสียไม่มีวันหมดก็คือนิบบานังปรมังสุขขังนี่มันมีอยู่ในใจตลอดเวลาความบรมมาสุขเนี่ยความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่มีอยู่ในใจของพระอรหันต์พระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันหมด ไม่มีวันเพิ่มเพราะมันไม่มีที่จะให้เพิ่มมันเต็มไปหมดมันล้นไปหมดทุกช่องทุกอนูของหัวใจนี้เต็มไปด้วยปรมังสุขขังตลอดเวลาจึงไม่ต้องไปทำอะไรตามความอยากอีงต่อไปการกระทาของพระพุทธเจ้าของะ้าหลานนี้จึงทำด้วยเหตุด้วยผลเท่านั้นมีเหตุให้ทำก็ทำไม่มีเหตุให้ทำก็ไม่ทำ ทำก็ไม่ได้ดีใจไม่ได้ทำก็ไม่ได้เสียใจออนี่คือใจที่ได้รับการชำระแล้วจะเป็นอย่างนี้ชำระด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วออปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดออปัญหากับคนนั่นคนนี้ปัญหากับเรื่องนั่นเรื่องนีออ้ปัญหากับร่างกายนี้จะหายไปหมด พราใจไม่มีความอยากกับอะไรทั้งนั้นปัญหามันเกิดจากความอยากพออยากได้อะไรพอไม่ได้มามันก็เป็นปัญหาขึ้นมาอมพอไม่มีความอยากแล้วมันไม่มีปัญหาหรอกอนี่แหละคือความวิเศษของใจที่หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะเป็นใจที่ไม่มีปัญหากับอะไร จะเป็นใจที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องไปมีปัญหากับร่างกายอยู่เรื่อยๆเหมือนพวกเหมือนใจที่ยังมีความอยากมีร่างกายอยู่พอมีร่างกายก็ต้องมีปัญหากับเลี้ยงดูร่างกายปกป้องรักษาร่างกายแล้วก็ปัญหากับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายพอไม่มีร่างกายก็ไม่มีปัญหา มีก็ไม่เป็นปัญหาเพราะปล่อยร่างกายได้พระพุทธเจ้าหลังจากตัดสรู้แล้วร่างกายจะเป็นอะไรท่านไม่เป็นปัญหากับมันนะแต่ก่อนที่จะตัดสรู้นี่เป็นปัญหาพอเห็นความแก่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายนี่ใจไม่สบายแล้วแต่พอหลังจากตัดสรู้แล้วนี่ไม่ไม่เดือดร้อนแล้ว ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายอ ย, าาย่างไรไม่เดือดร้อนเพราะตัดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไปหมดแล้วหรือตัดความอยากอ ย, กอยู่ความอยากอยู่ก็ไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่มีปัญหาของร่างกายจะอยู่จะตายก็ไม่เป็นปัญหากับใจผู้ที่ไม่มีความอยากแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธ ศาสนาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีพบกับพระธรรมคําสอนก็นดีพบกับพระอริยสงสาวก็ดีเราก็จะได้เรียนรู้วิธีที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหากับอะไรอีกต่อไปใจก็จะมีแต่ความสุขไป อย่างไม่มีวันสิ้นสุดผู้ที่ได้พบพระพุทธศาสนาถ้าอยากจะได้รับประโยชน์ก็ต้องมีศรัทธามีความเชื่อและมีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติตามได้ผลก็จะเกิดขึ้นมาถ้าไม่เชื่อก็จะไม่ได้รับประโยชน์เพราะจะไม่มีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามต้องมีความเชื่อก่อนว่า ไม่มีอะไรที่จะวิเศษเท่ากับคําสอนของพพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรจะวิเศษเท่ากับการปฏิบัติตามคําสอนของพพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่จะได้เป็นสิ่งที่วิเศษกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเองดังนั้นเราต้องพยายามปลูกฝังศรัทธาความเชื่อปลุกฝังความความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามให้ได้เมื่อเราปลูกฝังได้แล้วเราก็จะได้ปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาเ อ, อ่อแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา <c oughs> จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปุราปะริกปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอ an ิติตังปะทิต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะราโสยธามะนีจดีระโสยทาสัพีติโยวิวัจจันโตสะพะโรโควินัสตุ มาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวาฒนศีลิสานิจังุทธาปจายโนจตารโหธรมาวทาติอายุวโนสุขังพลาวันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่ ครับวันนี้วันนี้ทางเฟ e บุ๊กเข้ามาสามร้อยเก้าสิบแปดเข้ามาที่ร้อยสามสิบเก้าวิทยุยี่สิบห้าแล้วก็รับฟังบนข่าวยี่สิบเก้าคนรวมทั้งสิ้นห้า้อยเก้าสิบเอ็ดคนครับก็เกือบ6กร้อยนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมสงสัยอะไรไม่เข้าใจอะไระถามได้ เดี๋ยวเอาไมโครโฟนถ้าอยากจะถามก็พูดผ่านทางไมโครโฟนนะเสียงจะได้ได้ได้ยินทั่วกันคนนั่นแหละถ้าคนไม่ถามก็ถามก็ถามถ้าไม่ถามก็คืนเข้าไปก็ให้ทางบ้านถ้าทางบ้านมีคำถามก็เอาเข้ามาได้เลยครับคำถามแรกจะทาง facebook ไลฟ์ครับจากคุณวันธนาครับ ถ้ามีคนแนะนำให้ทานอาหารเสริมวิตามินเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวแต่เราไม่สนใจที่จะหามารับประทานเลี้ยงดูร่างกายตามมีตามเกิดตามความจำเป็นปล่อยตัวตามธรรมชาติไม่บำรุงผิวพรรณให้เป็นพิเศษอย่างนี้ถือว่าเป็นการละสักกายะทิฏฐิหรือเปล่าคะก็ละบางส่วนยังละไม่หมดนะคถามต่อไปจากคุณจงซินีครับอยากให้ท่านอธิบายว่าใจที่เป็นเทวดา กับใจที่เป็นเปรตแตกต่างกันอย่างไรคะใจเป็นเทวดามีความสุขมีความอิ่มเหมือนคนที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเนี้ส่วนใจที่เป็นเปรตก็เป็นพวกขอทานจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความหิวโหยอยู่ตลอดเวลาอาจารย์ครับแล้วใจที่เป็นอสูรและกายนะกลัวเรื่อยๆพวกกลัวพวกหวาดกลัวด้วยเหตุด้วยผลต่างๆนะและพวกพวกโกรธล่ะ ก็พวกนรกไงใจร้อนเป็นฟืนเป็นไฟกินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะฆ่าเขาอย่างเดียวอยากจะล้างแค้นอย่างเดียวคำถามต่อไปจากคุณธัญทานครับคำถามนี้อาจจะสะเทือนใจคนบ้างนะคะลูกศิษย์พระเถระบางคนใกล้ชิดสนิทพระเถระมาก มีบุญาพาคนกล่าวนำอาราธนาศินมีความรู้ตอบคําถามธรรมะให้ผู้อื่นแต่แท้จริงพบว่าคิดผิดศีลธรรมจัญญาบันแล้วครูบาอาจารย์จะดูออกไหมคะก็ไม่รู้ละก็มาถามเราทําไมนะ่ะไปถามครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ดยวยนะคาถามจากบนเขาครับกราบนมัสการเจ้าค่ะข้อหนึ่งอาชีพของพ่อโยมคือรับแทงหวยใต้ดิน เงินที่ได้เลี้ยงดูลูกๆจะเป็นกรรมกับลูกลกไหมคะไม่เป็นหรอกลูกก็เป็นพลูกไม่ได้เป็นผู้กระทาผู้กระทาก็คือพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องเป็นผู้ใครกระทำกรรมอันใดไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอย่างคนไปแทงหวยแล้วมาใส่บาทนี่พระก็ไม่ได้ไปรับกรรมกับคนที่ไปแทงหวย อมันเป็นคนละเรื่องกันพระไม่ได้เป็นเล่นถ้าพระไปแทงเองเนะี่ยพระก็จะอถึงยามถึงจะมีผลข้อสองตอนนี้ลูกทําธุรกิจอะไรก็ขาดทุนจะมีวิธีแก้อย่างไงคะอย่าทํำสิไปเป็นลูกจ้างมันจะได้กําไรเป็นลูกจ้างก็ได้เงินเดือนนะมาทําธุรกิจไม่เป็นก็อย่าไปทําเลย <laughs> คำถามต่อไปจากทาง YouTube ครับจากคุณจากคุณ k ครครับขอกราบเรียนถามมีญาติผู้ใหญ่ที่หายตัวสาบสูญไปติดต่อไม่ได้ไม่ทราบว่าเป็นหรือตายเราควรแนะนำให้ลูกหลานเขาทำบุญกุศลแบบไหนที่พอจะส่งผลบุญให้บุพการีได้คะเน้่มันเป็นเรื่องอะไรที่เราต้องไปแนะนำเขาด้วยอ่ะเขาขอคำแนะนำจากเราหรือเปล่า <kiem> ถ้าเขาไม่ขอก็อย่าไปแนะนําถ้าเขาขอเราก็บอกว่าเราไม่รู้่แล้วเราจะไปแนะนําเขาได้อย่างไรในเมื่อเราไม่ก็รู้ว่าเขาเป็นหรือเขาตายใช่ไหมแล้วเราจะไปแนะนำอย่างไรเราก็ต้องแนะนำสองทางถ้าเขายังอยู่ถ då, JI, ้าค <t> ิดว <t> ่าเขายังอยู่ก็พยายามจ้างคนไปหาเขาให้เจออพยายามค้นหาเขาให้เจอถ้าเขายังคิดว่าเขายังอยู่ถ้าคิดว่าเขาตายแล้วก็ให้เขาทําบุญอุทิศบุญไปก็มีอยสองทางเลือก คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณริชี่ครับมีคนสงสัยถามว่าการนั่งสมาธิไปทำไมนั่งเพื่ออะไรแล้วนั่งสมาธิแล้วได้อะไรครับนั่งเพื่อเป็นเศรษฐีที่แท้จริงไงคนที่เป็นเศรษฐีที่แท้จริงคือคนที่ไม่ต้องการเงินต้องการทองแล้วก็เหมือนกับคนที่มีเงินทองมากจนใช้ไม่หมดก็ไม่ต้องการเงินต้องการทองแล้ว แต่คนที่ยังต้องการเงินต้องการทองอยู่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นเศรษฐีที่แท้จริงคนที่นั่งสมาธิแล้วจะไม่ต้องการเงินต้องการทองพอคนที่นั่งสมาธิได้แล้วจะมีคำว่าพอแต่คนที่ยังนั่งสมาธิไม่ได้เราให้มีเงินกองเป็นเป็นพันล้านหมื่นล้านก็ยังไม่พอก็ยังไม่ถือว่าเป็นเศรษฐีอยากจะเป็นเศรษฐีที่แท้จริงต้องรู้จักคาว่าพอ คนจะพอได้ก็ต่อเมื่อนั่งสมาธิได้เท่านั้นว่าเมื่อนั่งสมาธิแล้วใจจะอิ่มจะพอจะไม่อยากได้อะไรและความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการได้เงินทองมาร0อยล้านพันล้านความความสงบความสุขที่ีความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติปรังสุขขัง สุขเอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนั่งสมาธิก็นั่งเพื่อให้ได้ความสุขที่เลิศที่สุดที่ดีที่สุดคำถามต่อไปจากคุณสมชัยครับการพิจารณาปัญญาหลังจากนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วต้องพิจารณาอยู่ในท่านั่งสมาธิหลับตาภาวนาหรือไม่ครับท่าไหนก็ได้การเจริญปัญญานี้พิจารณาได้ทุกท่า เพราะมันไม่ได้ใช้ร่างกายมันใช้ใจใช้ความคิดให้คิดไปในทางความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างไม่ใช่ของเราเพื่อจะได้ตัดความอยากได้สิ่งต่างๆไปเท่านั้นเองคำถามต่อไปจากคุณไม่กับไม่ครับอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ขังทุกล้างการยึดติดเอาทั้งโลกและธรรม ให้ไม่มีตัวของตัวไม่มีทุกสิ่งจริงเกิดดับสมมุติอาศัยใช้ชั่วคราวไหมครับไม่รู้เหมือนกันคุณพูดอะไรก็คุณก็พูดของคุณไปแล้วกันนะอคํถาถามต่อไปจากคุณตุ้มตุ้ยครับถ้าตายตอนเป็นพระอนาคามีกำเก่าจะให้ผลทางใจอย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะจะไม่มาเกิดมีร่างกายอีกต่อไปแล้วใช่ถ้าไม่มีร่างกาย กรรมที่จะมากระทบกับร่างกายก็ไม่มีแต่ยังมีกรรมที่กระทบทางใจคําถามต่อไปจากคุณกอล์ฟครับถ้าเราติดใครคนหนึ่งเราควรทําอย่างไรดีคะพิจารณาอสุภะแล้วแต่สักพักมันกลับมาคิดอีกทํำยังไงมันจะระได้ครับก็ต้องพิจารณาบ่อยๆถ้าเราติดในรูปเขาเราก็ต้องพิจารณาอสุภะ ถ้าเราพิจารณาเราติดอย่างอื่นแล้วก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ต้องจากกันแล้วไม่ช้าก็เร็วเอหรือเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เขาอาจจะดีวันนี้เพิ่งนี้เขาอาจจะไม่ดีก็ได้ <Yeah. S 1> ก็ต้องพิจารณาทั้งสุภาถ้าเราติดรูปเขา <Yeah. S 1> เห็นรูปเขาเราวลักเขาเพราะรูปร่างหน้าตาเขาก็ต้องหมั่นพิจารณาดู ภายในร่างกายของเขาหรือ ด, ดูตอนที่ร่างกายเขาตายไปแล้วตอนที่ร่างกายเป็นศพไปแล้วมันก็จะทําให้เราตัดเขาได้แต่ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆถ้ายังมองไม่เห็นก็ต้องพิจารณาไปจนกว่าจะเห็นเห็นแล้วมันก็จะตัดเองมันก็จะหลุดนคําถามต่อไปจะคุณตุ้มตุ้ยครับอุเบกขาที่ถูกต้องคือการที่รู้สึกเฉยเหมือนกันหมดโดยไม่ต้องบังคับ ไม่มีความรู้สึกดึงเข้าออกดึงเข้าหรือผลักออกไปไม่ว่าจะเจอกับสิ่งที่รักชังกลัวหลงถูกไหมคะเออมันเป็นธรรมชาติของใจที่เอ่อเป็นกลางจริงๆคำถามต่อไปจากุณวิภาวีครับพระอาจารย์คะอายาตนะสัมพันหใจกระทบกับอะไรคะอายาตนะที่ 6, หเลยครับอายาตนะสัมพันหกนะครับ สามพันหกค่ะอายตนะมันทางร่างกายมันมีอยู่ห้าคือตาหูจมกูกลิ้นกายส่วนอายตนะที่หก็คืออารมณ์ใจสัมผัสกับอารมณ์อารมณ์ความคิดปรุงแต่งต่างๆนี้ก็เป็นอายตนะที่หกอยู่ในใจคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วกเกิดอารมณ์สุขทุกข์ไปกับมัน แทนที่จะสุขทุกข์ไปกับการเห็นภาพเห็นเสียงได้ยินเสียงแล้วก็เกิดสุขทุกข์จากการที่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ทํำให้เกิดอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็เรียกอายตนะที่หกคําถามต่อไปจากคุณต้นครับขอสอบถามวิธีจเจริญสมาธิของคนเป็นโรคซึมเศร้าครับเหมือนกันทุกคนเน่ยไม่เหมือนจะเป็นซึมเศร้าแล้วไม่ซึมเศร้าก็ต้องฝึกสติฮ ต้องบังคับให้จิตอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าปล่อยให้ไปคิดจะอยู่กับเรื่องไหนที่เราถนัดก็อยู่ไปเช่นถ้าเราถนัดสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปก่อนถ้าอยู่กับพุทโธได้ก็อยู่กับพุทโธไปถ้าเคลื่อนไหวก็ดูจะอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ค อ, อยดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่คืออย่าปล่อยให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ คำถามต่อไปจากคุณตุ้มตุ้ยครับอุเบกขาของพระอริยะเจ้าในแต่ละระดับจะแตกต่างกันไหมคะถ้าละสังโยชน์สามข้อแรกได้อุเบกขาของพระโสดาบันในสามข้อแรกนี้เท่ากับพระอรหันต์ไหมคะไม่เท่าหรอกพระ ล, ละได้ทั้งสิบมันจะไปเท่ากันได้ไงก็อย่งก็ไม่ต้องไปแยกเป็นพระโสดาพระอรหันต์เสียเวลาสิพระโสดาก็ มีอุเบกขากับสามสามเรื่องนี้แต่เรื่องอื่นยังไม่อุเบกขาเรื่องเรื่องตามยังไม่อุเบกขาเห็นรูปร่างหน้าตาหล่อเล้าสวยงามก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาอแต่พระอรหันต์นี้เห็นหน้าตาสวยงามไม่สวยห ล, หล่อหล่อหรือไม่หล่อ ก, ก็เฉยไปหมดะยังไม่เหมือนหรอกอุเบกขาของพระสวัสดิ์มก็อุเบกขาได้แค่สามเรื่องคือเรื่อง เกีเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเนี่ยพระโสดาบันจะเฉยได้แต่ปุตุชนนี้เฉยไม่ได้ใช่ไหมพอเห็นความแก่ก็ไม่สบายใจซึมเศร้าขึ้นมาเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นความตายก็ไม่สบายใจขึ้นมาพระโสดาบันจะเฉยได้แต่พอไปเห็นคนสวยคนหล่อขึ้นก็เฉยไม่ได้แล้วแต่ถ้าเป็นพระอนาคามีนี้ก็จะเฉยได้ แต่พระนาคามีก็ยังไปติดอยู่กับเรื่องอื่นอยู่เรื่องถือตัวอยู่เรื่องมานะทิฏฐิเรื่องอวิชชาอันนี้ก็เป็นยังเฉยไม่หมดจะเฉยหมดก็ต้องเป็นพระอาหารหันต์เฉยกับทุกเรื่องทุกอย่างเรื่องภายนอกเรื่องภายในเรื่องภายนอกก็คือคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องภายในก็อารมณ์ต่างๆที่มีในใจเฉยกับมันได้หมด ไม่เดือดร้อนกับอารมณ์ไม่ดีก็ไม่เดือดร้อนกับมันะไม่หงุดหงิดลำคาญกับอารมณ์ที่ไม่ดีก็รู้ว่ามันเป็นอารมณ์มันมีเกิดมีดับเป็นอนินจจังทุกขังหน้าตาเหมือนกับร่างกายที่ที่ตรงพระอนาคามีนี่ตรงถือตัวนี่คืออัตตาหรือเปล่าครับถือตัวก็อัตตาอัตตไม่ถืออะไรเาราถือตัวเราตัวเราดีกว่าเขาเด่นกว่าเขาเหรือด้อยกว่าเขา เขาสูงกว่าเราเขาต่ำกว่าเราออันนี้ก็เป็นเรื่องถือตัวขึ้นมาครัหนงสมมุติเนี่ยสมมุติก็มีแยกว่าคนนี้ต้องสูงกว่าคนนี้ต้องต่ำกว่าออแต่ความจริงมันไม่มีแยกความจริงมันดินน้ำนมไฟเหมือนกันหมดอาการสาสิบสองเหมือนกันหมดเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดนอืเพราะงั้นระดับของระดับของอัตรานี่มันจะสูงกว่าระดับของกามใช่ไหมครับมันนึกกว่ามันยากกว่าต้ยาก เหมือนมันอยู่กิเลสที่มันสังเนึกลงไปกว่าอกิเลสมันมีสามเป็นระดับสี่ระดับนไงระดับโสดาบันก็ขุดง่ายขุดลงไปก็เจอกิเลสสามตัวนี้ก่อนสามโยะสามตัวก่อนขอขุดเลิกลงไปก็จะเจอกามพขุดเลิกลงไปก็จะเจออัตตาตัวตนกับอารมณ์ต่างๆความยึดติดในอารมณ์ต่างๆและอารมณ์กับกามนี่มัน อารมณ์อารมณ์นี้เป็นอารมณ์ที่เกี่ยวกับการไหมฮะหรือว่าอารมณ์ที่แบบก็แล้วแต่มันมีทั้งสองอารมณ์อารมณ์ที่เกี่ยวกับการก็มีแต่พอกําจัดอารมณ์เกี่ยวกับการมันก็หมดไปอารมณ์เกี่ยวกับอัตตาตัวตนก็ยังมีอยู่ออโอเคครับใช่ไหมมันยังอารมณ์นี้อ่ะว่ามาเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าจะถามก็ต้องพูดทางไมโครโฟนขออกาศกราบเรียนถามพูดใกล้ๆหน่อย ข้อกาศกับเรียนถามครับถ้าในกรณีตัวที่อัตตาเกิดก่อนตัวกามนี้ได้ไหมครับมันเกิดตลอดเวลาเนะ น, นี่ะมันไปมันไปหมดนะแล้วแต่เหตุการณ์ที่กระตุ้นนะมันโผล่ขึ้นมาท่านเองพอจะภาพสวยๆงามๆก็กามก็ปรากฏขึ้นมาพอขับรถไปธนาคารโดนเขาด่าก็อัตอ ต, อ ต, อ ต, ตาก็โผลขึ้นมามึงด่ากูได้ไงวะข้อากาศครับถ้าสมมุติว่า ตัวที่เป็นอัตตานี่มันมันเบาบางมากนะครับไม่ ม, มีมันไม่บางหรอกเราคิดไปว่ามันเบาอย่างเงี้ยมันไม่บางหรอกมันตัวสุดท้ายมันสาธุครับยังไม่ไปเจอเจอเจอข้อสอบมันก็เลยคิดว่าบางเดี๋ยวถูกใครก็ตบหน้าหน่อยเดี๋ยวก็ดูว่้มันบางไหม <laughs> เดี๋ยวใครก็ด่าหน่อยเขาดูถูกหน่อย เดี๋ยวอัตราที่มันนอนก้นอยู่มันก็จะเป็นตะกอนนอนก้นพอไปคุณพอไปคนน้ําเดี๋ยว ก, ว, กวนน้ํามันก็โผล่ขึ้นมาแต่ถ้าไม่ไปกวนมันมันก็ยังนอนก้นอยู่ตัวอย่างบางตัวมันอยู่ลึกใช่ไหมบางคนคุมได้รู้ว่าเราต้องทําใจวเราเป็นลูกน้องเขาอย่างนี้ก็คุมได้อยู่แต่บางทีเวลาเผลอขึ้นมามันก็โผล่ ข, <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาได้ ทุกอย่างครเราคุมได้แต่พอเราเผอเมื่อไหร่มันจะชอบมาตอนที่เราเผยคนที่พิจารณาสุภาพก็พิจารณาอยู่เรื่อย เ, เดี๋ยวพอเผอลืมพิจารณาหน่อยมันโผล่ขึ้นมาทันทีการปึก๊เกิดขึ้นมาได้ทันทียั้นต้องระวังต้องคอยคอยสังเกตสังการอยู่ตลอดเวลาต้องมีสติคอยดูจิตอยู่ตลอดเวลาอเพราะนั้นหลักการที่จะเจอกับสิ่งพวกนี้เนี่ย คือยิ้มไปก่อนเนี่ยถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมครับก็ยิ้มได้เท่าไหร่ด้านนึงใช่จะยิ้มได้นานเท่าไหร่ด้านนี้ถ้ามันไปเจอของที่มันแสบแสบมันทิมแทงใจมันจจะยิ้มไม่ออก ก็ยิ้มไว้ก็ดีทำตัวเป็นปตตพีไว้ก็ดีท่านสอนให้ทำอย่างนั้นทำตัวเราเป็นแจ้วไว้เป็นคนรับใช้ไว้แล้วมันก็จะตัดปัญหาเรื่องอัตราตัวตนได้ไปในระดับหนึ่งแต่ถ้าเผลอเมื่มอไหร่นี้มันการถือตัวมันยังมีอยู่ทั้งนั้นอะ่ะแต่เราพยายามคอยคอยสอนมันว่าอย่าไปถือตัวนะแต่เดี๋ยวบางทีบางเวลามันพออยากจะทำอะไรมากๆนี้อัตตามันจะออกมาแรง คำถา ม, ถามต่อไปจากคุณปริชัดครับการนั่งสมาธิในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมกับการนั่งในที่ที่สบงบเงียบอันไหนจะดีกว่ากันคะก็ถ้าเราต้องการสมาธิอย่างเดียวเ ร, เราก็นั่งคนเดียวดีกว่าแต่ถ้าเราต้องการนั่งเพื่อให้เกิดปัญญาหรือว่าเรานั่งสมาธิคนเดียวไม่ได้ยังไม่สงบอาศัยการฟังธรรมก็ทําให้ใจสงบได้แต่อาจจะสงบไม่ลึกเหมือนกับการนั่งคนเดียว นั่งคนเดียวถ้ามันจะเลึกมันรวมไปเลยนะแต่น้านั่งฟังธรรมนี้มันยากที่มันจะรวมแต่มันก็จะสงบแบบไม่ฟุง้งซ่านสงบแบบสบายสบายเย็นอย่านก็แล้วแต่การปฏิบัติของแต่ละคนบางคนยังนั่งสมาธิเองไม่ได้ก็เปิดฟังธรรมแล้วฟังไปใจก็สงบได้จากการฟังธรรม หรือบางคนฟังธรรมไม่ได้ฟังเพื่อต้องการสมาธิฟังธรรมเพื่อต้องการปัญญาก็ต้องฟังธรรมแต่อย่าอย่าถ้าถ้าอยากจะนั่งสมาธิแล้วอย่าไปเปิดธรรมเช่นนั่งสมาธิแล้วก็พุโทโธแข่งกับเสียงธรรมอยานี้ก็อย่าไปทาดีกว่าปิดเสียงธรรมไปคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณนภพลครับสมมติว่าเราบวชเป็นพระใหม่เวลาที่ความรักมันเกิดสิ่งแรกที่ต้องทา ไม่ว่าทางกายหรือทางใจจะเริ่มต้นทำอย่างไรเพื่อให้ได้บวชนานครับออพระอุปชาก็ให้เครื่องมือตั้งแต่ตอนบวชและวันบวชนี่ที่ก่อนเวลาบวชก็จะให้ท่องเกสาโลมานะขาดันตาเนี่ยท่านให้กรรมฐานแล้วกรรมฐานก็คือการพิจารณาอสุภะให้พิจารณาร่างกายว่ามีของที่ไม่น่าดูผมนี่เดี๋ยวมันก็งอกเดี๋ยวมันก็ ร่วงนี่หนังเดี๋ยวมันก็เหี่ยวมันเดี๋ยวมันก็ย่นฟันเดี๋ยวมันก็หลุดเนี่ยให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะทําให้เห็นความไม่สวยงามของร่างกายเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าบังคับให้ให้อุปชาสอนตั้งแต่ในวันบวชเลยต้องสอนกรรมฐานเพราะเป็นเหมือนอาวุธเหมือนตํารวจนี่ก่อนที่เขาจะให้ออกไปปฏิบัติการนี่ก็ต้องสอนให้รู้จักใช้ปืนก่อน ถ้าไม่สอนให้ใช้ปืนเดี๋ยวเวลาไปไปจับผู้ร้ายใช้ปืนไม่เป็นก็ถูกผู้ร้ายฆ่าตายท่านไดผู้ที่มาบวชนี่ก็จะมาจับกิเลสจับตัณหาความอยากก็ต้องมีอาวุธอาวุธของการจะทาลายกามกามตัณหาก็คือกรรมฐานคืออสุภะให้พิจารณาตอนต้นก็สอนแค่ห้าข้อแล้วให้ไปขยายเป็นสามสิบสองข้อต่อไป พอเวลาทำพิธีมันมันยาวเกินไปก็เลยเอาแค่ห้าข้อคนบวชมันก็ท่องไม่ไหวให้มันท่องแค่ห้าข้อมันก็บอกว่ามากแล้วก็เลยเอาแค่ห้าข้อก่อนอาการห้าอาการของร่างกายแต่เวลาบวชจริงๆแล้วก็ให้เอาไปขยายให้ครบสามสิบสองอาการให้ดูความไม่สวยงามของอาการต่างๆเหล่านี้ เ, เพื่อที่จะได้ระ ง, งับการอารมณ์ได้ เพราะฉะนั้นถ้าบวชแล้วต้องอย่าลืมกรรมฐานต้องหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆพิจารณาการสาสิบสองพิจารณาความเสื่อมของอาการเหล่านี้เดี๋ยวผมก็งอผมก็ร่วงหนังก็เหี่ยวฟันก็หลุดอย่างนี้แล้วก็เข้าไปดูข้างในภายใต้ผิวหนังมีเอ็นมีกระดูกมีกระโหลกศีรษะมีหัวใจมีตับมีปอดมีไตมีลำไส้มีอุจจาระมีปัสสาวะเนี่ย นี่คือร่างกายที่เราหลงหลายั้งคล้ากันแต่มองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้กันคำถามต่อไปจากคุณยุคนครับวิธีการที่จะนำบิดามันดาไวยชาราอายุ80ปีซึ่งมีภาวะอัลไซเมอร์ให้ฝ่ายด้านจิตภาวนาจะทำอย่างไรขอรับทำไมไม่ทำตอนที่เขาไม่เป็นตอนที่เป็นแล้วมาทำได้ไรอ่ มันสายเกินไปแล้วคนที่เอาไซเมืร์แล้วมันจะไปทำอะไรได้จะกินข้าวยังจำไม่ได้แล้วจะให้สอนธรรมะมันจะไปจำได้เลยอย่างนั้นเวลาที่แข็งแรงเนี่ยตอนนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ทำไมไม่สอนกันทำไมดึงไปเที่ยวกันพาไปเที่ยวกันพาไปชอปปิ้งกันพอถึงเวลาเป็นเอาไซเมืรนั่งรถเข็นแล้วก็จะเข็นมาวัดนี้ มาเข็นมาทำไมเข็นมาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันมันผ่านเวลาที่จะมาเรียนมาศึกษาแล้วเวลาที่จะเรียนศึกษาก็เรียนกันตอนเด็กๆตอนหนุ่มตอนสาวกันตอนแก่ก็ไม่เรียนกันแล้วไม้แก่ดัดยากคำถามต่อไปจากกุณามรครับถ้าเราอยู่ในพื้นที่ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ไม่ศักปายเราจะใช้หลักธรรมข้อใด ที่จะต่อสู้อดทนกับสิ่งแวดล้อมเราอยู่ท่ามกลางชุมชนอบายมุคล้อมรอบและมีความเห็นแก่ตัวมากขอเมตตาท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับเราก็อย่าไปทําตามเขาก็แล้วกันเขาเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเราก็ทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนไปคํถาถามต่อไปจากคุณชนะตนครับเราจะสังเกตว่าแนวโน้มหลังตาย จิตจะไปทางใดขึ้นกับสภาพจิตส่วนใหญ่ในปัจจุบันไหมคะถ้าแต่ละวันเรามีความสุขในการทําบุญมีหลุดโกรธบ้างแต่น้อยถ้าสติไม่ทันตายไปจะไปทางไหนคะก็ดูตอนที่เราฝันเวลาเรานอนหลับฝันเป็นหนังตัวอย่างถ้าเราฝันดีเวลาตายเราก็จะไปด of ีถ er. ้าเราฝันร้ายบ่อยๆตายไปก็จะไปไม่ดี คำถามต่อไปจากคุณแสงจันทร์ครับพระอาจารย์คะทำยังไงที่จะให้ชีวิตและครอบครัวมีความสุขและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคะก็ต้องมีธรรมะคอยเป็นผู้นำทางก็ต้องมีคารวะสรธรรมพระเจ้าสอนว่าเป็นคารวะจะอยู่กันอย่างมีความสุขก็ต้องมีจาคะ มีการเสียสละแบ่งปันให้กันและกันมีสัจจะมีความซื่อสัตย์ต่ อ, อกันมีธรรมะมีความอดกัน้นเวลามีอารมณ์ไม่ดีก็ข่มอารมณ์อย่าปล่อยให้มันออกมาเพราะถ้าพูดด้วยอารมณ์ไม่ดีมันจะทำให้คนอื่นเข า, เ, าเขาเดือดร้อนได้เสียหายได้แล้วก็ต้องมีขันติความอดทนต่อความทุกข์ยากลาบากต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในบางครั้งบางเวลา ก็พยายามสู้ไปถ้ามีคุณธรรมสี่ประการนี้ก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขคำถามต่อไปจากคุณเฉลิวครับหนูอยากถามว่าลูกชายอายุสามสิบสองแล้วไม่เป็นรัว้วเป็นภายเลยค่ะมีลูกมีเมียก็ไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงดูทิ้งให้หนูเลี้ยงหนูก็จะหกสิบแล้วอีกสองปีหนูก็กเกษียณแล้ว เมื่อไรหนูลูกหนูมันจะคิดได้เสียทีคะก็เราไม่สอนให้มันคิดเนี่ยเราทำให้มันทุกอย่างมันก็เลยเสียนิสัยเราไม่ต้องสอนมันตั้งแต่เด็กต้องสอนให้มันหัดทาอะไรเองให้มันมีความรับผิดชอบเมื่อเราไปทำให้มันทุกอย่างมันก็เลยไม่ต้องคิดมันไม่ต้องรับผิดชอบกับอะไรพอมันทำแล้วมันก็ทิ้งอันนี้มันเป็นการเลี้ยงดูของเราส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นนิสัยสันดานของมันด้วยเอถ้าเป็นนิสัยสันดานมันเราก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราสอนมันให้ให้มีความรับผิดชอบให้มีการกระทําที่ถูกต้องดีงามแต่มันไม่ทําก็ถือว่ามันเป็นสันดานของมันก็ต้องปล่อยมันอปล่อยมันอยู่ไปตามกรรมของมันไปอคําถามต่อไปจากคุณอย่าลืมฉันเอไม่ประสงค์ออกนามครับ ถ้าเราตายก่อนถ้าเราตายก่อนที่เราจะถึงเวลาตายวิญญาณของเราจะไปอยู่ไหนคะและจะวนเวียนกับคนที่เรารักอยู่ไหมคะและจะมีผลอย่างไรบ้างเวลาตายมันไม่มีเวลาก่อนเรื่องหลังหรอกเวลาตายก็เป็นเวลาพอดีมันถึงตายถ้ามันยังไม่ถึงเวลาตายมันไม่ตายหรอก <laughs> ยันเวลาตายก็แล้วแต่จิตของเรามัน ตอนนั้นตอนที่ก่อนจะตายช่วงที่ช่วงช่วงที่ตายเรามีความผูกพันกับไรหรือเปล่าถ้าเรามีความผูกพันบางทีดวงวิญญาณก็อาจจะมาวนเวียนอยู่กับสิ่งที่เราผูกพันอยู่อย่างในพุทธการก็มีพระรูปหนึ่งท่านมีความผูกพันกับจีวรของท่านพอตายไปท่านก็มาเกิดเป็นตัวเลนมาเกาะจีวรของท่านพระพุทธเจ้าเห็นรู้ว่าตัวเลนนี้เป็นพระที่ตายไปก็เลยบอกพระว่า อย่าเอาจีวรนี้ไปใช้นะเพราะเจ้าของก็ยังไม่ยอมปล่อยตามธรรมเนียมของพระสมัยก่อนถ้าพระองค์ไหนตายไปจีวรยังใช้ได้อยู่ก็ให้พระองค์อื่นเอาไปใช้เพราะจีวรหายากนี่พระรูปนี้ท่านรักหวงจีวรท่านพอตายไปก็มาเกิดเป็นตัวเลนมากาะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกพระว่าอย่าเพิ่งเอาไปรอให้มันตัวเลนนี้ตายไปก่อนพอตัวเลนนี้ตายไปแล้ว เจ้าพระที่เป็นตัวแรงก็รู้ว่ากลับมาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วเขาก็ไปต่อของเขาเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าตอนที่เราตายนั้นเรามีความผูกพันกับอะไรอยู่หรือเปล่ามีเศรษฐีก็ผูกพันกับทรัพย์สมบัติของตนเองเศรษสีขคนนี้ไม่ชอบทำบุญหวงเงินหาเงินมาได้ไม่ยอมให้ใครแม้แต่ลูกก็ไม่ให้เอาไปฝังดินหมดเอาไปกรบฝังดินลูกก็ไม่รู้ว่าฝังไว้ที่ไหน พอตายไปตัวเศรษฐีก็กลับมาเกิดในท้องของหมาที่บ้านพอดีหมาตั้งท้องตั้งคันอยู่ก็เลยมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตัวเองพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาเห็นสุนัขตัวนี้ก็บอกลูกเขาว่านี่เป็นพ่อของเธอมาเกิดเป็นหมานะเพราะพ่อของเธอยังหวงสมบัติยังคิดถึงสมบัติอยู่อย่าให้หมาตัวนี้หนีไปนะพยายามเลี้ยงมันให้ดีเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติให้ แล้วเดี๋ยวไม่นานหมามันก็ไปขุดสมบัติที่พ่อได้ฝังเอาไว้นี่ขึ้นอยู่กับความผูกพันคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณวรพันธ์ครับตัวโทสะมีมากใช้กรรมฐานเจริญเมตตาใช่ไหมคะและการเจริญเมตตาที่ถูกต้องควรพิจารณาอย่างไรและควรพิจารณาอยู่เนืองๆหรือเปล่าคะก็ ถ้าโกรธใครก็ต้องรู้จักให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมคิดเสียว่าเป็นอุบัติเหตุไปก็แล้วกันหรือว่าเดินไปแล้วถูกต้นไม้กิ่งไม้หล่นมาทับเรา่าเงี้ยกิ่งไม้มันก็ไม่มีเจตนาหรือมีเจตนาก็ช่างมันแต่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไปทําอะไรไม่ได้แล้วจะไปทําให้อุบัติเหตุนั้นหายไปก็ไม่ได้ ยังไงใครพูดอะไรใครทำอะไรทำให้เราโกรธก็คิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุไปอย่าไปถือว่าเป็นคนทาคิดว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติไปเราก็จะได้ไม่โกรธใครเราก็จะได้ให้อภัยได้ทางที่ดีถ้าอยากจะแก้ที่ต้นเหตุก็ไปแก้ที่ความอยากความอยากทำให้เราโกรธอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธ อยากให้เขาพูดพ ด, ดีคิดดีทำดีกับเราเพราะเขาไม่พูดดีคิดดีทำดีกับเราเราก็โกรธแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาคิดดีพูดดีทำดีกับเราเราก็จะไม่โกรธคำถามต่อไปจากคุณปรีชาครับพระอาจารย์ครับสติคืออะไรสัมปชัญญะคืออะไรครับสติคือการระลึกนึกอยู่ในปัจจุบันระลึกนึกอยู่กับสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน คือให้รู้อยู่ว่าเรากาลังทำอะไรโดยที่ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คือสติถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องฝึกสติใจเราไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบสติใจเราชอบลอยไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติถ้ามีสติใจจะไม่ลอยใจจะตั้งอยู่กับเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถ้ามันลอยไปก็ใช้ ใช้พุโทโธดึงกลับมาใช้กรรมาฐานดึงกลับมาบังคับให้มันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปมันก็จะลอยไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พรอาจารย์ฮะแล้วคำว่าอัลติเมตทรูสที่ที่เขาบอกนี่คือความจริงสูงสุดหรือเปล่าฮะก็ความจริงอย่างอันเ น, น, นี่งเลยออริยสัจสี่อะไรอย่างงี้หรือเปละะ่าใจใจใจเนะี่ยคือความจริงแล้วคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักใจรู้จักแต่ร่างกายเออ ใจนี่แหละเป็นความจริงที่สูงสุดเพราะเป็นความจริงที่ถาวรความจริงที่ไม่หมดนะความจริงของทางร่างกายเป็นความจริงชั่วคราว <Yeah. S 1> ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปแต่ใจไม่หมดพอเรานั่งสมาธิเราก็จะได้พบกับใจรู้จักใจว่าไอ้ตัวนี้มันไม่หมดเนี่ยวไอ้ตัวนี้สุขทุกข์มากกว่าไอ้ตัวร่างกายก็เลยเปลี่ยนการดูแลร่างกายมาเป็นมาดูแลจิตใจแทนอ คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณนริศราครับกราบเรียนถามเรื่องการรับสัญญาณครูบาอาจารย์ได้นั้นคืออย่างไรคะไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่เข้าใจคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณพิมพ์ครับตอนที่ดิฉันเป็นเด็กดิฉันกลัวผีและกลัวความตายมากๆแต่พอมาช่วงนี้ได้ฟังธรรมะบรรยายของพระแล้วได้เข้าไปปฏิบัติธรรมไม่กลัวผีไม่กลัวตายแล้ว และเคยไปปฏิบัติธรรมตามวัดได้เห็นเปรตเห็นผีมาแล้วแต่เห็นแล้วไปถามหลวงตาที่วัดหลวงตาท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านมาทดสอบเราหลวงตาหลวงตาถามว่าแล้วเรากลัวไหมดิฉันตอบว่าไม่กลัวเลยค่ะถ้าเองไม่กลัวผีไม่กลัวตายเองก็ถึงนิพพานแล้วสิดิฉันก็เลยยกมือสาธุเจ้าค่ะหลวงตาถ้าดิฉันตายแล้วก็ไม่อยากเกิดอีกแล้วขอตั้งมั่น เกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบ้านปลายชีวิตต่ออันนี้เขียนอธิบายครับอ่าอ๋อปานไปขอไปครับคำถามต่อไปจะคุณนภพัฒครับคนที่ถือตัวถือตนสูงอัตตาเยอะถือดีคนเหล่านี้จะปฏิบัติธรรมได้ไหมเจ้าคะได้แต่คนที่ถือมากก็ทุกมากมคนที่ถือตัวน้อยก็ทุกน้อยเนี่ ก็เรียกว่าจะปฏิบัติยากกว่าคนที่ไม่ถือนื้อถือตัวคำ <c oughs> ถ, ถามต่อไปจากคุณนินิรัฐก่อนครับการปฏิบัติเมื่อจเจริญสติจนจิตตั้งมั่นดีแล้วถ้าจ ะ, จะเจริญวิปัสนาต้องยกข้อธรรมเช่นการพิจารณากายการแยกรูปแยกนามขึ้นมาพิจารณาด้วยกฎของไตรลักษณ์หรือว่าจะรอให้พิจารณาเองโดยอัตโนมัติครับและการจเจริญปัญญา เพื่อตัดกิเลสให้ได้ผลเร็วต้องพิจารณาอะไรบ้างครับจึงจะสอบผ่านการพิจารณาปัญญาต้องแยกจากการกปฏิบัติสมาธิทำเวลาพร้อมกันไม่ได้ถ้าจะทำสมาธิก็อย่าไปทำปัญญาถ้าจะทาปัญญาก็อย่าไปทำสมาธิมันเป็นคนละเรื่องกันเหมือนชาจนอนก็ไม่ต้องไปทำงาน ถ้าจะทำงานก็อย่านอนอการฝึกสมาธิเป็นการพักจิตสร้างกำลังจิตสร้างความสุขให้กับจิตในเวลาทำสมาธิอย่าไปทำปัญญาอย่าไปพิจารณาอะไรทั้งนั้นเวลาออกจากสมาธิมาแล้วเหมือนคนตื่นขึ้นมาจากนอนแล้วก็อย่าไปนอนพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปทำงานงานของจิตก็คือไปศึกษาปัญญาไปศึกษาความจริง ก็พิจารณาทุกอย่างที่เราติดอยู่เราทุกข์กับเรื่องไหนก็พิจารณาว่ามันเป็นมันมันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราแต่เราไปอยากให้มันเที่ยงอยากจะให้มันเป็นของเรามันก็เลยทำให้เราทุกข์พอเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเราเราก็จะได้ปล่อยวางจะได้ไม่ไปอยากให้มันเป็นของเราจะได้ไปอยากให้มันไม่เที่ยงให้มันเที่ยงเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน พราะฉะนั้นเราจะพิจารณาอะไรได้ทั้งหมดอยู่ที่ว่าตอนนี้เราทุกข์กับเรื่องอะไรก่อนแก้ปัญหาปัจจุบันทันด่วนก่อนถ้าทุกข์กับเงินก็พิจารณาว่าเงินนี้เป็นทุกข์อย่าไปมีมันดีกว่าไปบวช ด, ดีกว่าอยู่แบบพระไม่ต้องมีเงินก็จะได้ไม่ทุกข์กับการหาเงินไม่ต้องมากังวลว่าจะมีเงินพอใช้หรือไม่พอใช้ถ้าทุกข์กับภรรยาก็เลิกกันไปไปบวชทุกข์กับลูกก็ยกให้คนอื่นไปพอมาบวชแล้วทีนี้ ทุกข์เกี่ยวกับเรื่องภายนอกก็จะหมดไปมันก็จะมาทุกข์กับเรื่องร่างกายก็มาพิจารณาร่างกายว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่เที่ยงเหมือนกันมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราก็ต้องปล่อยวางเหมือนกันพอปล่อยวางร่างกายได้ก็ไปติดกับยังไปอยากไปชอบร่างกายของคนอื่นอยู่ก็ต้องไปพิจารณาว่ามันไม่สวยไม่งามมันไม่น่ารักไม่น่าดูน่าชมมันก็จะได้ปล่อยได้มันก็มันก็ไล่ไปเรื่อย การปฏิบัตินี้มันจะมีเป็นเหมือนกับเป็นด่านต้องผ่านไปทีละด่านเหมือนผลไมน้นี่ก่อนเราจะไปถึงเม็ดได้นี่เราต้องผ่านต้องปอกเปลือกก่อนใช่ไหมปอกเปลือกแล้วก็ไปเจอเนื้อพอกําจัดเนื้อออกไปถึงจะไปเจอเม็ดอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสหรือสิ่งที่เราไปยึดไปติดเนี่มันมีหลาย หลายตัวด้วยกันตอนต้นก็เป็นของภายนอกร่างกายก่อนราบยศจันรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยตัดนั้นไปก่อนตัดได้แล้วก็มาตัดร่างกายตัดร่างกายได้ก็ไปตัดกามอารมณ์ที่ยังอยากไปมีแฟนมีอะไรอยู่พอตัดตัวนี้ได้แล้วก็ไปตัดไอ้ความอารมณ์ที่มีอยู่ภายในใจเหมือนถึงจะหมดเั้นปัญญามันเป็นขั้นๆหรือเวลาปฏิบัติมันจะรู้เอง คำถามต่อไปจากคุณกิติยาครับสุดท้ายคําคถามสุดท้ายครับ ม, มีสองมีสองอันนะครับอสองอันครับโสดาโซดาบันยังมีความโกรธความหลงอยู่ไหมคะและโสดาบันสามารถเสื่อมกลับมาเริ่มต้นได้ไหมคะไม่เสื่อมโสดาบันก็โซดาบันไม่กลับไปเป็นปุถุชนแต่ยังมีความโกรธเวลาอยากจะเสพการไม่ได้เสพมันก็โกรธเนี่ยความหงุดหงิด ยังมีความอยากถ้ายังมีความอยากอยู่ยังมีความโกรธแม้แต่พระอนาคามีไม่มีไม่มีความอยากกับร่างกายมันก็มีความอยากกับัตาตัวตนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าตาบดยังมีความอยากอยู่ความโกรธยังไม่หมดจะหมดต่อเมื่อไม่มีความอยากแล้วก็ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้น